ไงเป็นไงยี่สงกันบ้านยี่มากับใครมากับเปิ้ลค่ะเมื่อคืนเปิ้ลขับไปชวนค่ะวันนี้ใจถึงขับรถมาไกลแล้ว <c oughs> นะสงกันบ้านไม่ทราบว่ามันไม่ ก, กับพร่องกับแพงเหลือเกินไม่ไม่คยเจอหน้าแล้วเป็นไงเสื่อมไหม เห็นกิเลสบ่อยไหมดีแล้วล่ะรู้ไปเรื่อยๆใช้ได้อยู่แล้วรู้ไปรือว่าสันเป็นยงไงสบายดีแช่ว่าชวนชวนเขาตอนนี้พอดีเขามีนัดกับลกที่กรุงเทพก็เลยไม่ได้มาเขาบอกว่าเดินหน้าจะไปหาหลงพ่อที่สาาลงชิที่นั่นคนเยอะเป็นพันเลยไม่เห็นนะมองพืเยังไงสองันบ้าน ก็ปฏิบัติไปตามรูปแบบครับก็เห็นกิเลสอยู่บ่อยๆครับแต่ช่วงหลังมานี่นิวรมันจะเล่นงานหนักหน่อยพอรู้ทันมันก็เบาลงครับเคยรู้ลงไปใจมันซุมเศร้าหงงเหงาหานอนเลยนะรู้มันเรื่อยๆับนิวรตัวนี้ครอบเลยเรื่อยๆรู้ทันนั้นก็ตัวกามฉันทะจะมาลบกวนจนบางทีต้องทําสมถะแต่พอเห็นสภาพที่ว่า เราทําเราเระลึกถึงคุณงามความดีขึ้นมาเนี่ยจิตมันก็เป็นกุศลขึ้นมามแต่ก็เห็นว่าสองอันเนี่ยไว้ไม่ได้เราครคิดถึงสิ่งที่เป็นกุศลบ่อยๆใจได้เกิดสมาธิคิดถึงคุณงามความดีที่สร้างนะจะได้สมาธิขึ้นมาแล้วก็คอยรู้เอาแต่นี้บังคับมากไปตื่น เ, นเต้นยจะไปข่มมันนะเอาอย่างอี้นะอี้ตื่นเต้นแต่อีไม่ขม่ม มีคนเมืองการาก่อนช่วยงานหลวงพ่อเยอะบางควันนี้จิตมันดิ้มน้อยกว่าเมื่อวานมันไม่ค่อยมีแรงมันง่วงนอนดีดีกว่าเมื่อวานขาบคุณมลมลฟุ้งกว่าเมื่อวานรู้ลงไปมีโมหนะมีโมหารู้ว่ามีโมหะมันออกมาข้างนอกเยอะไหมคะหลวงพอ่อมันกระจายไม่สั่งมั่น ไม่ถึงฐานใช่ค่สองคุณวุฒิถึงฐานน่าดีกว่าถึงฐานแต่ฟุ้งสั้นสองคุณเนี่ยมันฟุงฟ้งฟุง้งฟุ้สองคุณมร์มันไม่ถึงฐานลุกลิกลูก ล, ก, ลกไปเลยก็ยังคิดไม่เลิกเหมือนเดิมครับแต่ว่ายังคิดไม่เลิกเหมือนเดิมครับทินพ่อเพราะคือมันห้ามไม่ได้แล้วก็เพอเวลาคิดไม่ไม่ห้ามนะให้รู้ทันว่าจิตฟุ้งสั้น ไอ้รู้ขัดแล้วเนี่ยมันก็รู้ด้วยว่าคิดเรื่องอะไรอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับว่าใช้ไม่ได้เรื่องที่คิดมันรู้อยู่แล้วแต่ที่สําคัญต้องรู้ว่าจิตคิดรู้เรื่องที่คิดเหมือนธรรมดาใครๆก็รู้มันจะแขห้พ่วงแถหมมาด้วยครับเพราะว่าก็คือรู้ว่าจิตคิดเหมือนกันก็มันจะแขหมมาด้วยว่าคิดอะไรอยู่อะไรอเงี้ยอะไรนะคือคือก็รู้ว่าจิตไม่คิดนะครับแต่ว่ามันจะมีแแมมาด้วยครับว่าคิดอะไรอยู่อะไรมันด้วยนะแแหมครับอ๋อแถม ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้แล้วผมควรเรามีข้อควรระวังอะไรอีกไหมครับใจไม่ค่อยสงบนะไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยทำในรูปแบบบ้าง อ, อ๋อไหว้สวดคำวัชชาคำวิเชนเล ย, ย<ะ>เพิ่มอย่างนั้นได้ยิ่งดีครับยังไม่สงบใช่ไหมครับไม่สง บ, บใจมันฟุ้งไปนิดนึงครับจะให้สบายนะภาวนาจิตใจต้องสงบต้องตั้งมั่น แล้วก็รู้สึกไปถ้าไม่สงบไม่ได้ครับครับเชิญคุณหมอนี่ลูกค้าเก่าจำได้ไหมคุณหมอคนเมืองการเจอคนคนครปฐมอย่างขาดราดบุรีวันนี้พวกบ้านโป่งไม่มาเอาว่าไงวันนี้เกาะอยู่นิดนึงครับแต่ ในชีวิตประจําวันตอนนี้ก็พอมีอะไรมากระทบมันมันก็เหลือแต่เหตุผลนะฮล ะ, ละออารมณ์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ชีวิตเกามีความสุขเยอะขึ้นครับตอนนี้คนนักขันปฐมอีกคน <c oughs> ดีแล้วละนะให้รู้สึกไปไ <c oughs> งจิตเปลี่ยนแปลงไปบา้างยังดีแล้วใจมันไม่เหมือนเดิมและะ้วมีความสุขเยอะขึ้นเยอะขึ้นรู้สึกไปทั้งสองคนนะดีแล้ว อ้าวเลยไม่จบกันบ้านเลยเดี๋ยวขอเรียนถามหน่อยค่ะหลวงพ่อคือเวลาเรามันวูบลงไปเนี่ยเราจะรู้ได้ไงคะว่าเราแบบมันวูบเพราะว่าคือจิตมันวูบลงไปหรือว่าเราไม่สบายอะไรเงี้ยเพราะเคยไม่สบายแล้วมันมีอาการวูบๆเหมือนกันนะมันวูบเป็นระยะระยะป่ะมันไม่ต่อเนื่องอะค่ะแต่ว่ามันมันแบบนั่งเรานั่งเขียนหนังสืออยู่มันหายไปแล้วเราก็เห็นว่ามันตกใจ เป็นปกติเลยละะเป็นทุกคนแหละแต่มองไม่เห็นเวลาที่จิตมันขึ้นวิถีนะขึ้นสู่วิถีรับอารมณ์แต่ละครั้งเนี่ยพอสุดวิถีมันมันจะเบลเลอลงไปแล้วก็ขาดแว บ, บไปแล้วค่อยขึ้นใหม่เป็นตลอดอะอย่างนั่งดูหน้าหลวงพ่อรู้สึกไหมมันหายวับไปช่วงช่วงนั่นแหละเราไปเห็นกระบวนการทางานของจิตเห็นจิตมันดับลงจริงๆ จริงจิตขึ้นวิถีครั้งหนึ่งนะทำงานด้วยจิต จ, จำนวนมากหลายดวงถ้าเต็มวิถีเลยก็17ดดวงนี่เราเห็นไม่ครบไม่เป็นไ ร, เ, รเห็นเขาทำงานขึ้นมานะแล้วก็ขาดหายเป็นช่วงช่วงาการที่เขาหายไปให้เราดูเนี่ยมันเป็นเรื่องดีสันติคือความสืบเนื่องมันขาดเราจะเริ่มเห็นความจริงว่าจิตเกิดแล้วดับนะหายไปเฉยๆแล้วขึ้นมาใหม่มันจะดับมันก็ดับเอง จะขึ้นมันก็ขึ้นเองดูอย่างนี้จนมันหนึ่งปัญญามันแทงทะลุลงไปมันจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราหรอกไม่มีตัวเราเลยรู้สึกไหมตอนนี้ร่างกายชักไม่ใช่ตัวเราแล้วร่างกายเปลี่ยนสถานะจากตัวเรามาเป็นของเรารู้สึกไหมความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรามันแค่ความรู้สึกของเรามันลดฐานะลงจากเป็นตัวเรามากลายเป็นของเรา ดูมากข้ามากข้าวนี่เห็นว่ามันไม่มีตัวเราที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีไม่มีตัวเราไม่มีของเราเนื้อได้พระสวดาบันค่อยรู้ไปเรื่อยๆดีแล้วเอาแม่ชีเมื่อวานหลวงพ่อพาดูสภาวะใจมันก็กระเพิ่มขึ้นมาบ้างคะ่ะแล้วก็เห็น <c oughs> เห็นกิเลสขึ้นขึ้ น, นมาความพอใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ชักพักหนึ่งเราก็ปรับได้ ตานนี้ก็คืออิสระขึ้นที่จะไม่ไปไปยุ่งกับเรื่องของสภาวะเขาปล่อยให้เขามีอิสระเขาจะดําเนินไปก็เรื่องของเขาเราต้องอย่างนั้นแลนะดีละก็เบาขึ้นสภาวะนะมันทํางานของมันทั้งวันทั้งคืนมันปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องไปยุ่งกับมันถ้าเราไปหลงยินดีหลงยินร้ายเราทํางานขึ้นมาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นถ้าเห็นสภาวะทํางานไปเราไม่เข้าไปข้องเกี่ยวด้วยโอเกิดปัญญา เห็นว่าสภาวะนะั้นไม่ใช่เราหรอกสภาวะทั้งหลายไม่มีตัวเราเข้าไปแทรกแซมมันจะรู้สึกมีเราขึ้นมานะดีแล้วแม่ชีคอยรู้ยังถลำไหมยังเวลาชอบถลำอีกไหมตอนนี้ก็เรียกว่าไม่ไปสนใจมันนะอแล้วรู้สึกไหมรู้สึกไปเรืนะ่อยอ้าวชิปส่งกันบ้างคอรู้ตัวค่ ะ, อะคอยรู้ตัวเอารู้สึกตัวรู้สึกไปได้่อยๆชิปยังไง ถล่ลงไปออลงไปงแช่อตับถูกตับถูกก็ได้คะแนนถาดไทก็ช่วงนี้มันมีโมหะค่ะหลวงพ่อเดี๋ยววันนี้ทำไมมากันเยอะทีมอะไรกลุ่มมิมุตเนรมากันกี่คนอะไรนะเอาไม่ได้นั้นเงินก็เป็นอัศจรรย์ใช่ไหมไม่ได้นันหมายหนีงานมาพร้อมๆกัน อาฮะจันตัวก็มีโมหะค่ะหลวงพ่อเวรีแล้วก็ช่วงนี้ที่เห็นก็คือว่ามันมีเวลาเห็นความคิดเนี่ยความคิดมันอยู่ห่างๆแล้วก็มันจะเห็นว่ามันจะมีสภาวะแบบมันมีอะไรบางอย่างผุดขึ้นมาแต่มันยังไม่ทันได้ปรุงอะค่ะหลวงพ่อมันเข้าไปรู้ก่อนนั่นแหละลิละแค่รู้ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมันเร็วสติมันเร็วมันยังไม่ทันรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร แต่ถ้าทิ้งไม่นานกว่านั้นนะสัญญาจะเข้าไปแปรพอสัญญาเข้าไปแปรแล้วจะเกิดการให้ค่าขึ้นมาพอให้ค่าขึ้นมาก็จะเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาแล้วก็เกิดการทํางานทางใจแล้วก็เกิดความทุกข์เห็นไหมเล่นเป็นสายเลยเห็นตลอดเลยใช่ไหมตรงนี้งั้นถ้าสติมันไวนะมันไหวว่าเก็ขาดว่าก็ขาดไปไม่ทันจะปรุงแต่งต่อไม่ทันจะแปลด้วยซ้ําไปไม่ทันให้ค่าก็เลยไม่ต้องปรุงแต่งความทุกข์ก็ไม่เกิด เห็นแต่สภาวะเขาเกิดดับไปแต่เราไม่ทุกข์ด้วยนะเห็นแต่สภาวะที่เป็นทุกข์คือสภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้แต่ตัวเราไม่ได้เข้าไปก้าวไก่เลยไม่เป็นทุกข์ไปด้วยสบายดีแล้วต่จิตมองไปหน่อยให้มันคึกคักไว้รู้กับปัจจุบันไปไม่มองหรอไปอดีตไปอนาคตแล้วกลัวมากไปอยากกลัวกลัวมากไป อย่างกังวลเรื่องศีลมากไปอะไรมากไปเนี่ยทำให้ใจไม่เบิกบานจิใจยิ่งไม่เข้มแข็งจะไปกลัวมันแต่ไม่ทำผิดรู้สึกไปรู้สึกด้ยก็สบายอ้าวจูนก็วันนี้เริ่มมาเนี่ยจูนจูนเข้าไปคลุกกับการกดนะคะแต่เมื่อสักพักเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนกดแล้ว อ่เตคือตอนแรกเนี่ยคลุกเลยอะค่ะเป็นเลยอะอเป็นอยู่คลุกกับมันเลยแต่สักพักเมื่อกี้เนี่ยจุนเห็นว่ามันเห็นการกดอยู่ต่างหากแล้วตำแหน่งที่อยู่ของมันก็เหมือนคนละที่เลยคนละที่กันแต่ว่ากดเหมือนกันแต่ว่า อ, อีกอันหนึ่งเราเห็นค่ะดีละให้รู้ไว้ให้เห็นไว้อะดีละแล้วก็มีช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยจุนระหว่างที่คุยเนี่ยค่ะคือเห็นว่า จิตใจเรามันไปคลุกอยู่ในในเรื่องที่คุยแล้วก็เริ่มแบบคล่คลําครวญละแล้วอยู่ดีๆจิตใจ ม, มันก็วางเองอพอมันรู้ทันมันก็หลุดออกมาแล้วพอจนตอนที่วางเสร็จปุ๊บจุนก็บอกว่าจนไม่มีเรื่องจะพูดต่อแล้วมันจบแล้ว ม, มันหมดทุกเรื่องแล้วเพราะมันวางแ ล, วแล้วหลังจากนั้นมันเบิกบานอยู่ได้ประมาณสองสามชั่วโมงอะคะ่ะคือแบบไม่ว่าจะเป็นคําชมหรือคําติฉินขึ้นมาเนี่ย เห็นแต่การกระทบกระทบกระเทือนแล้วมันก็หายไปไม่มีอาการต่อต้านอะไรเลยช่วงนั้นเกิดขึ้นอยู่ประมาณ3ามสี่ชั่วโมงได้มีกำลังอยู่อย่างยงมั่นมากเลยค่ะแต่เห็นเลยว่าทำอะไรไม่ได้อยู่ๆเขาจะวางเขาก็วางของเขาเองใจวางไม่ได้จิตเขาเป็นไปเองถึงการหลุดพ้นก็เหมือนกันไม่มีใครทำจิตให้หลุดพ้นได้นะหลุดเองเขาหลุดเขาเองดีละแต่จิตเกินจริงนิดนึงนะ มันดอออกมาข็ตอนนี้จุนก็รู้สึกว่าทำในรูปแบบจุนจะทำไม่ค่อยได้เลยจึงเลยใช้อาศัยฟังซีดีหลวงพ่อก่อนนอนกับตอนเช้าบ้างอะค่ะก็พอมีกำลังขึ้นบ้างจริงๆทำอะไรไม่ได้เลยนะแค่ขยับไม้ขยับมือเลยเนี่ยคอยรู้สึกนะเอาร่างกายมาช่วยด้วยก็ได้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกบ้างถ้าจะดูจิตล้วนๆทายาก มีทีค่ะหลวงพ่อจุนนั่งทํางานบ้านอยู่ค่ะล้างจานอยู่แล้วอยู่ๆจุนก็เห็นเหมือนกับว่ามันมีสภาวะที่ถูกรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนช่องสี่เหลี่ยมเหมือนจอโทรทัศน์อยู่แล้วมีคนรู้อยู่ต่างหากรู้ลงไปในช่องมันเกิดขึ้นแวบเดียวแต่ย่ากระโจนลงในช่องไม่ค่ะก็คือจุนก็ล้างจานทําอะไรอยู่จุนก็เอ๊ะแปลกดีเข้าไปเห็นเหมือนเป็นเป็นช่องอย่างเงี้ยค่ะนันแนะนำหน้าไปทําอาชีพล้างจานค่ะทําอาชีพเสริม ล้างแล้วดีสติเกิดต อ, ตอนนี้เป็นพนักงานล้างจานประจําบ้านอยู่ค่ ะ, ะไม่ให้ใครแย่งอยู่ตอนนี้มาช่วยล้างที่วัดก็ได้จาได้ค่ะ <ๆ S 1> ลลหลวงพ่อลหลวงพ่อให้มาอยู่เลยหรือเปล่าล่ะคะ <c oughs> อยู่ไม่ได้แล้ว <c oughs> ทนไม่ไหวหรอกอยู่วัดไม่ใช่ง่ายนะค่ะอยู่วัดไม่ใช่ง่ายอย่างการออกจากโลกชั่วครั้งชั่วคราวนะไม่ยากอะไรหรอกแต่ถ้าจะตัดใจเด็ดเดียวออกจากโลกจรงิงๆนะไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายเลย เรตื่นเต้นนะเจ้าค่ะแต่วันนี้ตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขไปด้วยอะ่ะเจ้าค่นะแล้วดูใจนิ่นครุกคลักครุกคลักรือทันมันออก็มันกระสับกระส่ายตื่นเต้นแต่ก็มันก็เห็นว่ามันมีนมนมความสุขอยู่แต่ว่าวันนี้ก็เกรงน้อยกว่าทุกครั้งนะเจ้าค่ะแต่ก็ยังมีเกรงอยู่นิดนึงแตเจ้าค่ะหลวงพ่อถูกต้องแนละ้วยมก็กําลังพยายามตามรู้ตามดูอยู่ค่ะแต่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะค่ะไม่ทราบว่ายังยังเ อ, อ กดคมอยู่มากอยู่เปล่าคะฟังไม่ค่อยออกว่าไงนะพยายามกดคมอยู่มากอยู่เปล่าคะอ๋อนิดหน่อยไม่มากน้อยลงน้อยรู้สึกไหมใจมันปล่งขึ้นถ้ากดคมมนะ่าใจมันจะแข็งแข็งเครียดเคลียดหนักหนักถ้าไม่ขมมันจะโล่งโล่งปร่งโงเนี่ยตรงนี้มีนิดหน่อยรู้สึกไหมอันแกล้งทำสวมหัวใจเด็กไว้น ะ, ะเด็กอะมีหัวใจที่ซื่อซื่อ กระทบอารมณ์อย่างนี้ดีใจมันก็ดีใจกระทบอารมณ์อย่างนี้เสียใจมันก็เสียใจเราส่างกับเด็กนิดเดียวตรงที่ดีใจแล้วเรารู้ทันเสียใจเรารู้ทันเรารู้ทันใจแต่ปล่อยใจให้มันกระทบอารมณ์ตามธรรมชาติกระทบแล้วก็ให้มันเกิดความรู้สึกให้มันเกิดปฏิกิริยาไปตามธรรมชาติของพวกผู้ใหญ่เนี่ยนะกระทบอารมณ์หรอกแต่ว่า พอจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นที่ใจเนี่ยไปดัดแปลงให้ผิดธรรมชาติเช่นไปข่มใจให้นิ่งโกรธก็ไม่เอาข่มไว้โลภก็ข่มไว้เนี่ยอันนี้ไม่ได้สวมหัวใจเด็กล้สวมหัวใจมายากวนมายากอนดัดแปลงงั้นให้กระทบอารมณ์ตามธรรมชาตินะธรรมดาเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกระทบแล้วปล่อยให้ใจมันกระเทือนไปตามธรรมชาติ หน้าที่ของเราก็คือใจมันกระเถื่อนแล้วรู้ทันตามรู้ไปเรื่อยๆนี่พวกนักปฏิบัติผิดสองอันผิดสองอันตรงที่กระทบเนี่ยก็มักจะจงใจกระทบเช่นดัดแปลงการเดินเดินไม่เหมือนคนธรรมดาหายใจไม่เหมือนคนธรรมดาจะขยับไม้ขยับมือไม่เหมือนคนธรรมดานี่ดัดแปลงการกระทบและอันที่สองกดจิตไว้ไม่ให้กระเถื่อน พอกระทบก็ผิดธรรมดานะเช่นจะมองอะไรทีนะต้องตั้งหลักให้ดีนะไม่ค่อยมอ ง, งนี่ดัดแปลงการกระทบนะอพอมองไปแล้วเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะก็เฉยสิใจไม่กระเถือนขึ้นมารู้สึกโอ้ฉลอยกูจะเป็นผ้ารหันแล้วกูเนี่ยเหมือนคนเป็นอมภาษณ์หน่อยหน่อยฉลอยผ้าลหันจะเป็นอย่างนี้นะงน เนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยนะตอนกระทบผัสสะก็บิดเบือนเดินก็ไม่เหมือนคนธรรมดาย่องย่องย่องนะทำอะไรก็ผิดคนธรรมดาจะกินข้าวบางคนนะเคยได้ยินมากินข้าวคำานึงเนี่ยตั้งครึ่งชั่วโมงปากอยู่นั่นแหละยกคือ่นนะั่กว่าจะเข้าปากอ้าอยู่นะเมื่วันเข้าไปหลายตัวแล้วนะงั้นใช้ชีวิตนะกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดา กระทบแล้วอย่าไปดัดแปลงใจหน้าที่ของเราเมียนเดียวก็คือเมื่อใจเป็นยังไงนะตามรู้เข้าไปเรื่อยๆนี่ส่วนคนไม่ปฏิบัติกระทบอารมณ์ตามธรรมชาติกระทบแล้วกระเทือนตามธรรมชาติฟังแล้วดีกว่านะแต่ไม่เห็นไม่เห็นสิ่งที่เกิดตามมาแยากได้ไหมคนทั่วๆไปนะกระทบตามธรรมดากระเทือนตามธรรมดาแต่ไม่รู้ไม่เห็นจิตใจตนเอง นักปฏิบัติจะ ก, กระทบก็ผิดธรรมดาจะ ก, กระเทือนก็ข่มเอาไว้อาจจะรู้ด้วยการจ้องจ้องไว้รู้แล้วก็มันกินนิ่งๆไปนี่มัใช้ไม่ได้ทั้งคู่แล้วนะงั้นเราให้กระทบไปกระเทือนไปเหมือนคนธรรมดาสิ่งที่เกินคนธรรมดาขึ้นมาก็คืออะไรเกิดขึ้นในใจนะตามรู้ไปเรื่อยๆแค่นี้เองเพราะ ง, งั้นงานของเราที่เกินกว่าปกตินะก็คือสิ่งใดแปลกปลอมขึ้นในจิตใจคอยตามรู้ไป แค่นี้เองแค่นี้เองไม่มากกว่านี้แล้วไม่ดัดแปลงการกระทบไม่ห้ามการกระเทือนผมก็พยายามเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติใหม่นะครับก็คือเวลา <ยม S 1> คิดมาหลายวันแล้วใช่ไหมอะไรครับมาหลายวันแล้วเนาะครับผมมาหลายวันแล้วครับเริ่มคุ้นกันบา้างยังอ่าเริ่มคุ้นกันแล้วครับะนะครับจะบอกอะไรให้ในไหนก็คุ้นกันแล้วอย่างแกล้งทําเยอะอยู่คิดมากไป คิดมากว่าทํายังไงจะดีทํายังไงจะถูกทําไงจะดีกว่านี้ครับสิ่งเหล่านี้ต้องเลิกถ้าไม่เลิกพัฒนายากครับนี่<ม>พูด<ม>กันแบบกันเองเนาะก็ผมถึงได้พยายามจะเปลี่ยนวิธีใหม่ก็คือว่าหาวิธีใหม่ใช่ไหมก็คือว่าเวลามันคิดให้รู้เฉยว่ามันคิดนะครับถ้ามันไม่คิดไม่พยายามคิดก็คือเปลี่ยนว่าเอาสติไปอยู่ไว้ที่ ที่ตัวก็ได้ว่าเออเรากำลังนั่งอยู่แล้วกําลังยืนอยู่ตรงเนี้ยที่คลาดเคลื่อนจงใจเอาสติไว้กับตัวนะเอาถ้าถ้ามันไม่คิดเราจะทํำยังไงครับก็มันไม่มีความคิดให้เราไม่มีเลยที่จิตไม่มีความคิดจิตคิ ด, คดตลอดเวลานะเวน้นแต่ตอนลงพวังดังนั้นจิตมีหน้าที่คิดไปเรื่อยๆแต่มันไม่มันไม่ได้ผุดขึ้นมาให้เราเห็นนีครับว่าเ ป, เป็นอะไ ร, ะไรมันคิดแต่เราไม่เห็นครับไม่ได้แปลว่ามันไม่คิดนะ สิ่งที่โยมควรระมัดระวังคืออย่าิดตรึงความรู้สึกตัวเองเลยของโยมตรึงมากไปครับรู้สึกไหมรู้สึกไหมเอางี้รู้สึกับตอนเนี้ยแต่ทำยังไงอย่อยปลดการตึงกับตัวนี้แหละครับจะปลดอีกแล้วให้รู้สิให้รู้ไม่ได้ให้ปลดกโยมจำไว้นะทำมิปัสนานี้พูดแบบรักกันนะไม่งั้นไม่บอกหรอกเดี๋ยวโมโหกันมิปัฏนาจริงๆหน้าที่ของเรามีแต่คําว่ารู้ ของโยมจะเอ๊ะเราจะเอาสติไว้กับร่างกายดีไหมนี่เราจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าเราจะปลดมันออกอยังไงมันมีคําว่าจะทําอย่างนี้จะปลดอย่างนี้มันเกินจากคาว่ารู้ลองไปสังเกตใจเรานะถ้าเมื่อไรเกิดจากคาว่ารู้นะเมื่อ น, นั้นไม่ใช่วิปัสสนาละรู้อย่างเดียวรู้ลูกเดียวตามที่เขาเป็นด้วยเนี่ยสงสัยเกิดแล้วไม่เห็นเห็นไหมความสงสัยไหลแวบเข้ามาก็รู้ว่าสงสัย ไปตรึงให้นิ่งละตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรึงไว้เลิกซะตรงเนี้ยที่ที่คุณติดอยู่คือการตรึงตัวเองให้นิ่งถ้าตรึงตัวเองให้นิ่งเนี่ยปัญญาจะไม่เกิดเพราะการที่เราไปตรึงกายตรึงใจให้นิ่งนะกายกับใจไม่สามารถแสดงไตรลักษณ์ตามธรรมชาติให้ดูได้ปัญญาไม่เกิดอเพราะไม่เห็นความจริงนั่นจัดตรึงปล่อยเลยไม่ดีก็ได้แต่ห้ามชั่วท่องไว้น้ําไม่ดีก็ได้ ใจจะดีก็ได้ร้ายก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่ห้ามชั่วคืออย่าไปผิดศีลห้าแค่นั้นล่ละพอละแล้วสำรวจใจไปเรื่อยๆนะในใจเรามันจะมีแต่ความคิดว่าจะทำยังไงดีทำอย่างนี้น่าจะดีทำอย่างนี้คงจะไม่ดีทำอย่างนี้จะอันนี้เกิดขึ้นจะแก้มันยังไงอนะไรจะแก้จะทำอะไรนี่ร้วนแต่ทำทั้งนั้นะไม่ใช่รู้ค่อยๆสังเกตตัวนี้นะจะได้พัฒนาเร็ว ครั้งแรกที่มาหลวงพ่อบอกว่าสติยังไม่เกิดแต่ภาวนาพอใช้ได้ส่วนสตินั้นจะต้องใช้ความเพียรต่อไปส่วนภาวนานั้นผมอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อได้ช่วยแก้ไขผมจะทำแบบสังเกตลมหายใจนะครับก็โยมรู้ลมหายใจตอนนี้ยมบังคับน้อยลงและถ้าบังคับน้อยลงเนี่ยพอบังคับน้อยลงเนี้ยสติมีโอกาสจะเกิดแล้ว เรารู้ลมหายใจไปอย่างสบายๆพอ ร, รู้ลมหายใจสักพักหนึ่งเราจะเห็นว่าจิตแอบไปคิดดวกไหมครับจิตแอบไปคิดเรารู้ว่าจิตไปคิดคบางทีหายใจไปสักพักหนึ่งจิตมันไหลไปเกาะอยู่ที่ลมหายใจเคยเห็นไหมครับถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ลมก็รู้อย่างเมื่อกี้มันอยากพูดพุทธขึ้นมาความอยากพูดพุดขึ้นมาเราก็รู้อะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้เอาหายใจไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ใจหายใจแล้วรู้ใจไปเรื่อยๆ ทีนี้สังเกตจุดสัมผัสความร้อนความเย็นตอนที่ออกไปอันนั้นเป็นยังไงครับก็มันเพื่ออ้อมคล้องไปนิดนึงนะส่วนสังเกตลมใช่ไหมครับลมร้อนลมเย็นมันอ้อมไปนิดนึงมันดีเหมือนกันเมันการเรียนรู้กายเรียนรู้ให้เร็วกว่า น, นั้นอีกนะเรียนรู้เข้าให้ถึงใจเลยเพราะทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จได้ด้วยใจ เพราะงั้นอย่างสัว่าเราเห็นร่างลมหายใจแนละ้เห็นร่างกายมันหายใจไปรู้สึกขึ้นมาเลยตัวที่หายใจอยู่นี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่ค่อ ย, ค, อยค่อยรู้สึกไอตัวที่หายใจมันเป็นตัวที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราดูปไปนี้่ <c oughs> มันจะเร็วนิดนึงสักสักพักหนึ่งนะพอลมมันหายมันจะเข้าถึงใจหลวงปู่เทศสอนไม่น่าฟังนะคนโบราณเรียกว่าลมหายใจพะลมหายแล้วมันเข้าถึงใจนิทานสอนอย่างนี้ถ้าเราไปเกาะลมไปเรื่อยๆ่นะไม่ไม่มาที่ใจ แั้เรารู้ลมหายใจคล้ายๆรู้ยืนพื้นรู้เป็นแบ็กกราวไว้ตัวสําคัญที่เราต้องรู้คือใจของเราเองงั้นเรารู้ลมไปนะแล้วใจของเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเช่นวันนี้รู้ลมไปแล้วใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านวันนี้ดูลมไปแล้วใจไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่กับลมรู้ว่าใจไปเพ่งลมวันนี้ดูลมหายใจไปเกิดปีติรู้ว่ามีปีติเนี่ยรู้ที่ใจเรียนเข้าให้ถึงใจเลยเพราะกิเลสอยู่ที่ใจนะ อุสลอยู่ที่ใจมรค น, นิพพานอยู่ที่ใจแต่ถ้าบางคนดูใจไม่ออกอันนี้จำเป็นไปดูกายนี่ของโยมเนี่ยกาลังมันพอไปดูใจได้ละตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เกรงค่ะมาจากไหนคนนี้เมืองการผู้ปกครองฟืด <laughs> จำไม่ได้ไม่ค่อยมาวัด คือเวลามีอะไรกระทบจิตใจก็จะคิดวนเวียนอยู่แต่ตรงนั้นค่ะให้รู้ทันว่าใจมันไปคิดห้ามมันไม่ได้แล้วจะรู้สึกเศร้ามากออรู้สึกเศร้าให้รู้ว่าเศร้า <c oughs> นะเวลาเศร้าก็ไม่ต้องไปคร่ําครวญอะไรไปสนใจใครให้รู้ทันใจที่เศร้า <c oughs> ให้รู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆตามรู้ไปเรื่อยๆ <c oughs> ของโยมใจลอยละโยมผู้ชายใจไปคิดใจไปคิดให้รู้ว่าใจไปคิดนะหายใจไปแล้วก็รู้ เนี่ยตอนเนี้ใจไปเกาะเกาะมากไปนิ่งไปใจมันนิ่งไปไปเกาะลมมากไปอะไรเงี้ยจะนิ่งๆิ่งรู้สึกไหมเมื่อกี้ใจมันดับวิบไปนิดหนึ่งให้เราคอยดูความเปลี่ยนแปลงของใจดูเล่นเล่นนะโยมอย่าดูจริงจังนะดูจริงจังมันจะเครียดให้ดูเล่นเล่นถ้าดูเล่นเล่นแล้วได้ผลเร็วเพราะว่าเราไม่แทรกแสงจิตใจ ถ้าดูจริงจังนะมันแทรกแซงแทรกแซงอารมณ์แทรกแซงจิตใจแทรกแซงไปหมดอนะทุกอย่างจะดูนิ่งผิดความเป็นจริงเนี่ยใจหนีไปคิดทราบไหมไหลแว บ, บไปเขามองออกไหมยังถ้ามองไม่ออกก็ดูร่างกายให้นี้หายใจนะทําความรู้สึกไปว่าไอ้ตัวที่หายใจอยู่นี้เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูต่างหากยมทําใจตรงนี้ไปเรื่อยๆถ้านะคุณสุขทนธรมานม เมืกก่อกีนี้ที่หลวงพ่อเดินเข้ามานึน ะ, น ะ, นะคะเมื่อกี้ใจลอยแว บ, บหนึ่งคุณไม่ใช่คุณไม่ใช่ชใช่ไหมค่ะหลวงพ่อพาให้ดูนิดนึงค่ะก็รู้สึกว่าลืมตัวไปแล้วก็รีบเดินกลับมานั่งที่กว่าจะมารู้สึกตัวเนี่ยนา น, านแล้วก็ระหว่างที่ท่านอื่นๆกําลังส่งกันบ้านเนี่ยนะคะ ก, ก็รู้สึกว่าเตรียมตัวว่าเราจะส่งอะไรดีก็รู้ว่าคิดว่าเตรียมตัวอะไร นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยออตอนกลางคืนเหมือนเหมือนนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็แล้วก็เห็นความคิดแต่แต่ไม่รู้ว่าใช่ไห ม, มแล้วก็จําที่หลวงพ่อสอนได้ว่าเออก็สงสัยก็ให้รู้ก็เลยไม่แน่ใจว่าที่เราเห็นความคิดอันนั้นเนี่ยมันมันใช่เห็นหเห็นหใช่แล้วเห็นถูกต้องแล้วค่ะจิตใจตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้อรู้สึกไหมค่ะจิตใจมีพัฒนาการที่มองเห็นได้ ที่คุณสุคนธมานภาวนาอยู่ตอนนี้ดีแล้วน ะ, ะภาวนาได้ดีแล้วจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วเราจะเห็นความจริงแล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกรู้สึกไหมมันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันเหมือนอยู่ห่างๆนะค่ะเหมือนเหมือนเหมือนรู้สึกแต่มันเ <ฮะ S 1> บาๆอ่ะค่ะไม่เป็นไรแรงไปผิดรู้สึกเบาๆอ่ะถูกแล้วแรงไปนะจงใจรู้แ ล, แล้วเวลาท่านอื่นๆบอกว่าเห็นว่ามันวับวอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นสักไร ไม่ต้องเหมือนใครทางใครทางมันค่ะแล้วที่เคยกลับเรียนถามว่าจะต้องเพิ่มออวิธีที่ทำอยู่ตอนนี้ดีละนะคะทำอย่างนี้เรื่อยๆเราจะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งหมดรู้สึกไหมในในชีวิตเรามีแต่สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลชั่วคราวหมดเลยค่ะตอนนี้เห็นอย่างนี้ยัง พอเห็นค่ะ <S <S รู้สึกไปเลยคนที่ทำตัวภาวนาใช้ได้แล้วเ<อ>ชิญเชิญถ้าไม่เอาก็ส่งต่อบไปได้คือแบบว่าอย่างตัวเองนี่ปวดไหล่นะคะเราก็แบบว่าเออก็อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าให้ให้มองแบบว่าไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ตัวแต่ผมคํานึกว่าตัวเองจ้องจ้องเกินไปให้รู้ว่าจ้องถ้ารู้ว่าจ้องแสดงว่าเราดูจิตเป็นจิตไปจ้องรู้ว่าจ้อง ค่ะ ก, ก็ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าถูกสิจิตไปจ้องรู้ว่าจ้องก็ถูกแล้วแล้วจิตอยากหายปวดรู้ว่าอยากให้หายปวดก็ก็คือพยายามมองเหมือนกับมองว่าหุ่นยนต์ว่ามองว่าตัวเองนอ ะ, ะทีนี้ฝึกอย่างนี้ก่อนได้ ก, ก็เลยว่าตัวความรู้สึกว่ามันถูกหรือไม่ที่เราไปจ้องอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้ไปก่อน คุณผู้ชายนะบางทีแรงไปนิดหนึง่งคุณผู้ชายเนี่ยจงใจปฏิบัติมากไปนิดหนึง่งมันจะนิ่งๆแค่แค่รู้สึกรู้สึกสบายๆรู้สึกโป่งๆนะรู้สึกสบายๆเอาเบอ่บแองเมื่อ38ดนอะพอใช้ได้อยู่นะค่อยๆหัดไปหัดใหม่ๆบางทีเราพัฒนาขึ้นมาเราเราอย่างดูตัวเองไม่ออกเลยมีนะไม่ใช่ไม่มี พระพุทธเจ้าเลยแยกคนไว้สี่จำพวกพวกหนึ่งจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลพวกหนึ่งจิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลนี่พวกที่ดีขึ้นมาแล้วยังดูไม่ออกอีกพวกหนึ่งจิตเป็นอกุศลนะรู้ว่าเป็นอกุศลพวกนี้ก็ใช้ได้อีกพวกที่แยกสุดๆเลยจิตเป็นอกุศลไม่รู้ว่าเป็นอกุศลพวกนี้แยกที่สุดตอนนี้ใจลอยแล้วเบอร์สามสิบแปดทราบไหมไปคิดตามให้หลวงพ่อพูดเนเอยให้รู้ทันนะรู้ทัน ฝึกไปงไั้นแหละใช้ได้อาเฟอร์่จิตก็เห็นเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ว่ามันวันนี้มันมีความความซึมแล้วก็เศร้าหมองยืนพื้นอยู่นิดนึงนะครับผมมันมีความกังวลอยู่ในใจครับเออดีแล้วดูไปนะดูเหมือนดูคนอื่นกังวลใช้ได้ดูไปเรื่อยไปไปตรึงไว้นิดนึงด้วยอย่าไปประคองกังวลไม่เป็นไรนะจะทุกข์จะโศกจะอะไรไม่เป็นไรอย่าไปตรึงความรู้สึกให้นิ่ง ปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นรู้สภาวะอย่างที่เขาเป็นไปได้อยนะคุณนานารู้สึกว่ามันเหมือนกลวยนะเจ้าค่ะข้างบนมันใสๆข้างล่างมันขุนๆมัวๆแล้วเช้าๆขึ้นมาเขาก็จะหลงมาอยู่ตรงเนี้ย่ะบางทีก็ไหลลงไปในกลวยเนี้ใช่เจ้าค่ะบางทีก็ถอยขึ้นมาอยู่ขอบกลวยเนี่ยก็รู้ไปอย่างนั้นแหละในเกณฑ์ไม่ขันมีเยอะแยะ ความสุขความทุกข์ก็ขันหนึ่งความคิดก็ขันหนึ่งใช่ความคิดอยู่ข้างบนตัวรู้เหมือนอยู่ข้างบนใช่ไหมตัวความรู้สึกมัอนอยู่ข้างล่างทำงานไปสาราพรูปแบบช่างมันไม่ต้องดึงให้อยู่ข้างบนตลอดไม่ดึงหลวงพ่อนะไปฟังหลวงปู่ดูลันแรกนั่งดูมันทีแรกไม่รู้นะว่ามันไปรวมกันไม่รู้ว่าดูไม่เป็นดูมาจนถึงกรุงเทพนั้นมันหลุดออกมา หลุดมาขอบกลวยที่ว่าเนี่ยหลุดอเฮ้ยมันแยกได้เนี่ยนี่เรามั่งตัวผู้รู้ไอ้นี่ถูกรู้เนี่ยเสร็จแล้วต่อไปมันไหลเข้าไปรวมอีกนะพยายามดึงอย่างดึงอยู่อาทิตย์หนึ่งหลุดออกมาหน่อยเข้าไปรวมอีกดึงอีก5วันนะหลุดออกอีกหน่อยนะึงไปดึงอยู่นั่นแหละยุ่งวุ่นวายที่จริงรู้เฉยๆแล้วหลุดเลยไปดึงไปอยากให้หลุดไม่หลุดหรอกกราบนะมสัส ก, การหลวงพ่อโชคค่ะวันนี้มาด้วยใจที่มีความอยากค่ะอยากขอคําแนะนําจาก หลวงพ่อจะไปปฏิบัติที่ผาซ่อนแก้วอะค่ะเอ่อจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยชีย้แนวทางด้วยไปผาซ่อนแก้วก็อย่ามัวไปชมความงามนะ <c oughs> ถ้ารู้เนื้อรู้ตัวไปทางเดินมันเรียบริมเหวไปอย่างเงี้ย <c oughs> ให้รู้สึกรู้สึกเรื่อยๆงูก็มีนะผีก็ดุ นั่นหน้าที่ของเราเนี่ยคือคอยรู้ทันใจของเราเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้ที่ใจเราอย่าจงใจมากอย่าตั้งใจแรงไปถ้าตั้งใจแข็งๆแล้วจะไม่มีความสุขผ่อนคลายนะภาวนานด้วยความรู้สึกผ่อนคลายไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่น้อมใจให้ผ่อนคลายไม่ใช่ทาเครื่องออย่างนี้เกินไปนะรู้สึกไปสบายๆรู้สึกไปแต่นะตอนนี้หนูดีขึ้นแล้วหรือเปล่าดีขึ้นดีขึ้น แต่ยังตรึงความรู้สึกนะขณะเนี้ตรึงอยู่รู้สึกไหมเจ้าค่ะมันยังบังคับไม่ต้องเจ้าข้าเอาใจหลวงพ่อนะเห็น ไ, <ม>ไม่เห็น <c oughs> ไม่ต้องเกรงใจจะ ต, ตื่นเต้นรู้สึกไหมมากค่ะตื่นเต้นที่ไปกดไว้อะเพราะว่าตื่นเต้นนะตอนอยู่ข้างนอกก็ภาวนาพอใช้ได้แล้วละไปอยู่ผาซ้อนแก้วก็ไปดูใจของเราไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ภาพน่าใจดี ไม่ดูเหมือนหลวงพ่อนะหลวงพ่อดุอ่าเชิญไปทานข้าวนี่มลครับนี่มลขอบพระคุณค่ะ